หลวงตาเมตตาโปรดวิญญาณที่ทุกยากคงเป็นด้วยเหตุนี้องค์หลวงตาท่านจึงไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อแผ่เมตตาให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกโรงพยาบาลมีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดพวกเนี้ยตายโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะกรรมยังไม่ชัดบางวิญญาณอยู่นานมากนานเสียจนเรานึกไม่ถึง เนื่องจากเวลาของแต่ละพบมีความแตกต่างกันมากเวลาของโลกนี้เป็นสิบปีร้อยปีแต่เวลาในพบอื่นทั้งนรกและสวรรค์อาจจะเป็นเวลาชั่วแวบเดียวอ่อนจึงเข้าใจที่องค์ท่านต้องทนเหนื่อยยากออกไปส่งเคราะห์สัตว์โลกทุกวันถึงกระนั้นก็ยังมีคนหลายคนไม่เข้าใจหลวงตาบอกว่าท่านรวยแล้วแท้ที่จริงแล้ว ท่านเป็นเพียงบุรุษไปรสณนียที่นำอาบุญของสิทธิ์ทั้งหลายที่ทํากับท่านออกไปส่งเคราะห์ผู้ยากไร้อดอยากต่อไปไมิได้หยุดผู้ที่ร่วมบุญกับหลวงตาจะได้รับอนิสงผลบุญอย่างเต็มที่ฉนั้นตั้งใจน้อมอาบุญใส่ตัวกันเองก็แล้วกันใครทําใครได้บอกทุกคนด้วยว่าอย่าประมาท